เกิดมาไม่เคยเห็นใครโง่เท่านี้สุกระชิ้นโอชะใส่สําหรับมาวางไว้เบื้องหน้าแล้วไม่รู้จักเกฑนมีหนามซ้ําปัดทิ้งเสียอีพระมัวงมยืดม่านในอุดมการณ์อุดมคติทำของบัณฑิตหน้าหัวเราะ อ, อะไรเช่นนี้พระนางก็สมประสวนออกมาจริงๆเสียด้วยอุดมคติและทรรมของบัณฑิตนั้น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 เรื่องสุนักและหนอนกับอาจมนั้นเธอไม่ได้นึกหรือว่าเมื่อหนอนมันพอใจอร็ดอร่อยต่ออาจมมันก็มีความสุขอย่างเต็มที่ในการกินอาจมและจะแปลกอะไรที่คนที่อร็ดอร่อยต่อโภชนาหารอันประณีตควรแก่พระราชาเสวยขอให้ได้ความสุขมาอะไรอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขนั้นไม่สําคัญ มันสำคัญตรงที่ได้รับความสุขมาเมื่อมันเป็นหนอนมันก็ต้องหาความสุขจากอาจมเมื่อมันเป็นไส้เดือนมันก็ต้องหาความสุขจากมูลดินเมื่อเป็นนกแร้งมันก็ต้องหาความสุขจากซากศพบุคคลและสัตว์ในโลกนี้ย่อมต้องหาความสุขตามสภาพของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ทาไมหม่อมชั้นจะหาความสุขตามสภาพของหม่อมชั้นหรือ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 ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นที่ท่านต้องการเชิญเสด็จไปหาสิ่งที่ท่านต้องการในที่อื่นเถิะดีละกุนาละแล้วเราจะได้เห็นดีกันหม่อมชั้นยอมรับว่าหลงรักจนหม่อมชั้นมอบกายให้แล้วแต่เธอเหวี่ยงทิ้งอย่างไร้ปราณีมิหนำซ้ำยังประนามหม่อมชั้นอย่างสาเสียเทเสียหม่อมชันจะไม่มาที่นี่อีกไม่มาอย่างแน่นอน